Music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 เป็นไปได้ด้วยดีทนิยะจึงจัดซื้อสินค้าพื้นเมืองของกรุงรัชครืบรรทุกเกวียนเปล่าเป็นอันมากและกำหนดว่าดิธีที่สิบแห่งชุนหปักเดือนกิตระจะออกเดินทางต่อไปยังแคว้นวัชีลุถึงดิธีที่9 ก, ก่อนออกเดินทางวันหนึ่งอันกำหนดไว้ตามคำพีพรามว่าวิษณุหรือนารายได้อาวาตารลงมาเกิดในวันนั้น เป็นรามะแห่งนครอโยธยาดิธีที่กล่าวนี้จึงมีชื่อว่ารามนาวมีในอดีตการเมื่อถึงวันรามนาวมีชนทั้งหลายตามมีการฉลองราชสมภพนะาคีหสถานแห่งตนและเทวไลอันเป็นงานเอกรเริกิกต่างเล่นสาธุกีละนกษัตริมีประการต่างๆผู้เ ค, คร่งรัดในลทัทธิพักดีต่อวิษณุเทพก็อดอาหาร และลงสนานกายในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหนึ่งหนึ่งต่างมีโรงบูชาไฟสำหรับส่วนมนต์สุดีเทวดาพร้อมกับนั่งบริกรรมมนที่ตนนึกว่าศักดิ์สิทธิ์พรางตักน้ำมันเนยหยอดลงเป็นครั้งคราวเปลวไฟก็โผลงขึ้นชั่วขณะหนึ่งยิ่งเมื่อถึงวันมงคลเช่นนี้ฝูงชนก็พากันไปยังเทวสถานอย่างคับข้างกลิ่นจุนจัน และเครื่องหอมทั้งที่เผาให้เป็นควันและเป็นเครื่องประพรมตลบไปทั่วบริเวณเบื้องหน้ารูปเคารพนั้นนั้นสพรั่งไปด้วยบุปผามาลายสุขนทชาติบางคนนั่งลงเบื้องหน้าเทวรูปสวดมนต์ด้วยความจงรักอธิษฐานขอพรด้วยประการต่างๆพ ร, รามผู้ใหญ่ก็จะขึ้นนั่งบนที่สูงแล้วสรทยายอดีตประวัติแห่งรามจันทร์กษัตริย์แห่งอโยธยา ยามเดิมแต่สมัยที่พระสถาคตเจ้าได้ตรัสรู้และได้เสด็จมาแสดงธรรมณสวนตาหนุม่มมีนักบวชศาสน า, าอื่นซึ่งละศาสนาของตนมาขออุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ประมาณพันรูปตามเสด็จพระองค์ได้ตรัสถามหัวหน้านักบวชว่าเหตุไรจึงละศาสน า, าเดิมเสียท่านอุรุเวลกัส ป, ปะผู้เป็นประมุขนักบวชเหล่านั้น ได้ประกาศความไม่มีสาระแห่งลัทธิเดิมของตนพร้อมท้งชี้แจงเหตุผลทางพระพุทธศาสนาแก่ประชุมชนชาวราชครืออันมีพระเจ้าเป็นพิสารประทับอยู่ณที่นั้นด้วยครั้นแล้วพระบรมศาสดาได้แสดงธรรมให้ประชุมชนสิเอ็ส่วนพร้อมทั้งพระราชาได้ดวงตาเห็นธรรมอีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในสรนคมคือ ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะอิสระชนทั้งหลายในกรุงราชกฤชจำเดิมแต่พระราชาลงมาจึงกลายเป็นพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามพระพุทธววาดโรงบูชาไฟของพรามและกระโ บ, บดีก็ไม่มีใครสูงไฟตักน้ำมันเนยยอดดังแต่ก่อนกลายเป็นที่ต้มน้ำอาบ้างเป็นโรงอบกายผิงไฟ ในฤดูหนาวบ้างมูลเท่าที่เหลืออยู่ในโรงไฟนั้นอันเคยถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช้เจิมหน้าทาตัวเป็นต้นก็กลับกลายเป็นของขัดภาชนะไปพระเจ้าพิมพิสารทรงเริ่มถวายเวลุวันคือป่าไผ่ให้เป็นที่อยู่ของสงเป็นครั้งแรก สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบเหตุนั้นประธานพระพุทธานุญาตให้สงรับอารามที่ถายกถวายได้และช่วงเวลาไม่นานนักมหาวิหารรอบๆก ร, รุงรัชครึกก็เกิดขึ้นถึงสิบแปดแห่งล้วนเป็นสวนและเป็นป่าไม้พร้อมด้วยที่พักอาศัยที่มีผู้ศรัทธาอุทิศถวายโดยปกติเวรุปนารามนั้นเมื่ อ, อยังไม่ได้ถวายเป็นสังขารามก็เกือบ จะไม่มีใครผ่านไปมาเลยนานๆพระราชาจะเสด็จไปสักครั้งหนึ่งเพื่อทรงพักผ่อนแต่ก่อนพระราชาจะเสด็จราชบุรุษก็จัดคนมาตระเตรียมแผวถางทา ง, ทางและตบแต่งป่าไม้ไผ่นั้นให้เป็นที่น่ารื่นรมตามธรรมชาติพระราชาพระองค์ก่อนๆไม่ปรากฏพระนามเคยไปบัรทมหลับในป่านั้นพวกราชบุรุษที่ตามเสด็จก็เลี่ยงออก ไม่ได้ระหวังใกล้ชิดมีงูเลื้อยเข้ามาจะทำร้ายผ่าเอินม่กระแตวิ่งมาทำเสียงดังเป็นเหตุให้พระราชาทรงตื่นขึ้นทรงขับงูนั้นไปแล้วทรงรำพึงถึงว่ากระแตได้ช่วยชีวิตพระองค์งเอาไว้จึงมีพระชะองค์การห้ามทำร้ายกระแตและบางสมัยก็สั่งให้นำเหยื่อมาพระสาทานแจกกระแตเป็นส่วนพระราชะกตัญญูกะตะเวทิตาแม้ต่อสัตว์ ป่าไผ่นั้นจึงได้นามว่าเวลุวันกัลลังทักกันนิวาปคือป่าไผ่ที่ให้เหยืะอกระแตชนีแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะแร่ไพศาลแล้วแต่ผู้นับถือศาสนาพื้นเมืองก็ยังคงมีอยู่บ้างเช่นพรามบางคน ยังคงบูชาไฟต่อไปปริภาชคคือนักบวชพวกหนึ่งก็ยังคงมีสำนักของตนอยู่ทั้งทั้งที่กึ่งจำนวนของพวกเหล่านั้นโดยตามอุปติสสะกับโกริตะผู้มีชื่อเรียกในการต่อมาว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปบวชในพระพุทธศาสนาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเดิมบวชเป็นปริภาชคสิทธิชันชัยเวรธบุตร แต่เมื่อได้สัดับพระธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีกิจศรัทธาเลื่อมใสเห็นว่าเป็นธรรมวินัยที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแท้จึงไปชวนสัญชัยผู้เป็นอาจารย์ให้ไปบวชในสำนักของพระศาสนา ด, ด้วยกันสัญชัยตอบว่าตนไม่ไปเพราะเป็นอาจารย์ของคนมานานแล้วจะกลับไปเป็นสิทธ์อีกนั้นไม่อาจจะกระทำได้สองสหายกล่าวว่าท่านอาจารย์เมื่อพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นในโลกเช่นนี้และคนทั้งหลายต่างพากันไปเข้าเฝ้าเพื่อบูชาแม้ข้าพเจ้าทั้งสองก็จะไปแล้วท่านอาจารย์จะทําอย่างไรสนชัยถามว่าในโลกนี้คนโง่ามากหรือว่าคนฉลาดมากเมื่อสิทธ์ตอบว่าคนโง่ามากจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ฉลาดฉลาดก็ไปสํานักพระสมณโคดมคนโง่โง่ก็จักมาสํานักเรา แต่เมื่อสองสาไฮลาจากไปก็มีปริพันธชกสิทธิ์สัญชัยติดตามไปด้วยเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้สัญชัยถึงกับอาเจียนเป็นโลหิตเพราะโทมนัสเมื่อไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งติมพลุจึงชี้ให้สุรเสนาดูบ้านเก่าซึ่งเกือบจะกลายเป็นบ้านร้างหลังหนึ่งอยู่ข้างทางบ้านนี้เป็นบ้านของนายจุนทะผู้ฆ่าสุกรขายเป็นอาชีพติดต่อกันเป็นเวลา 55ปีวิธีการของนายจุนทะคือนําข้าวเปลือกไปแลกลูกสุกรในเขตที่กันดานหาข้าวยากใน ล, ลูกสุกรมาแล้วใส่ค อ, อกเลี้ยงเอาไว้ในเขตบ้านของตนเมื่อสุกรเติบโตและตนต้องการฆ่าตัวไหนก็นํามามัดไว้กับหลักให้แน่นใช้ไม้สี่เหลี่ยมทุบแล้วเอาไม้สอดเข้าไปําให้อ้าปากใช้น้ำร้อนกรอกเข้าไปในปากน้าร้อน ก็จะล้างของโสโครกมีอุดจาราบเป็นต้นออกทางเบื้องล่างเมื่อเห็นน้ำที่ไหลออกมาไม่ค่อยขุ่นแล้วจึงให้น้ำร้อนรดหนังภายนอกครานแล้วจึงเอาคบหญ้าเผาให้ขนไหมและใช้มีดตัดศรีรษะรองโลหิตใส่ภาชนะไว้แล้วแร่เนื้อมาเคล้ากับโลหิตนั้นปรุงเป็นอาหารบริภโภคและขายส่วนที่เหลือเป็นดังนี้ตลอดมา วันหนึ่งนายจุนทะล้มเจ็บลงมีอาการแปลกประหลาดคือคุกเขา่าคลานไปทางนน้นทางนี้ส่งเสียงร้องอย่างสุกรจนชาวบ้านข้างเคียงไม่เป็นอันหลับอันนอนในที่สุดคลานออกนอกบ้านแม้คนในบ้านจะช่วยกันจับเอาผ้าอุดปากก็ไม่อาจทำสำเร็จได้ครั้งสุดท้ายต้องปิดประตูขังไว้ภายในบ้านจนกระทั่งขาดใจตายไปบ้านนี้ จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปผลจากหมู่บ้านนั้นไปแล้วก็มาถึงปราสาทหลังใหญ่สูงตรงานเจ็ดชั้นติมพรุบอกสุรเสณะว่านี้คือบ้านเศรษฐีปิดานางกุณทนเจสีผู้ได้สามีเป็นโจรจะถูกนำไปประหารชีวิต แต่ด้วยวิธีให้เงินแจ่ผู้คุมและเพชฌฆาตโจรนั้นก็รอดจากการถูกฆ่ามาได้อยู่มาโจรได้เตรียมการแจ้บนเทพเจ้าในการที่รอดพ้นจากความตายนางกุลทนเจศีได้ติดตามไปด้วยเมื่อไปถึงภูเขาแห่งหนึ่งโจรก็ให้คนใช้อยู่เชิงเขาตนกับภรรยาหายขึ้นไปบนยอดเขาจนป่านนี้ยังไม่เป็นใครรู้ว่าคนทั้งสองนั้นหายไปไหน บริเวณกรุงราชครึกนั้นกว้างขวางมากเจเพาะประตูมีถึง32ประตูส่วนประตูขนาดเล็กมี64ประตูติมพลุพาสุรเสนาผ่านมาด้านในของประตูทิศตะวันออกเป็นเวลาใกล้คำ่ำมองออกไปทางประตูนั้นเห็นป่ามะม่วงของหมอชีวกซึ่งได้นามว่าชีวกมพวันถวายเป็นอารามของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ไกลออกไปคือภูเขาชิชกูรครั้นเดินเลี้ยวไปตามถนนใหญ่สักครู่หนึ่งก็ถึงพรามณสภาคือโรงประชุมของพวกพรามในวันนี้ตามประทีปสว่างเตรียมไว้แต่ยังไม่ทันขําดีมีผู้คนหนาแน่นรวมทั้งสตรีและเด็กซึ่งประดับตกแต่งกายพระนีชเป็นพิเศษต่างกับวันอื่นทั้งสองคนหยุดยืนดูอยู่สักครู่หนึ่งก็มีพรามหนุ่มคนหนึ่ง สังเกตเห็นอาคันตุกะแปลกหน้าทั้งสองคนนี้จึงเข้ามาทักทายโดยอัธยาศัยอันดีว่าดูก่อนอาคันตุกะท่านคงมาจากเมืองอื่นถ้าท่านประสงค์จะเข้าไปในพระมณสภานี้ก็เชิญด้วยความยินดีติมพรุขับสุรเสนะกล่าวขอบใจผู้เชิญและถามว่าการประชุมในวันนี้เป็นการฉลองรามสมภพใช่หรือไม่ รามหนุ่มยิ้มแล้วตอบว่าเป็นประเพณีมาแต่บรรณการเมื่อถึงวันรามนับว่ามีเราก็มีงานรื่นเริงถ้าท่านปรารถนาจะรู้ว่าเป็นการฉลองเรื่องอะไรก็โปรดรอคอยฟังท่านพรามผู้เท่าซึ่งจะพูดให้ที่ประชุมฟังในคืนนี้ภายหลังจากการแจกของจะเด็กๆ ก, ก่อนติมพรุกล่าวว่าดีแล้วท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้า จะไปชมเทวสถานอีกสักแห่งหนึ่งหรือสองแห่งก่อนแล้วจึงจะกลับมาฟังกว่าจะประชุมกันพร้อมและแจกของใจเด็กเสร็จข้าพเจ้าก็คงจะมาทันเวลาพอดีคร้นแล้วติมพรุกก็ชวนสุรเสนะกล่าวลาพราหมณุมผู้นั้นเดินทางต่อไปแม้จะถึงเวลาค่ำแต่ดวงจันทร์ในดิทีที่เก้าก็ส่องแสงอยู่แล้ว กลางนภาากาศค่อนไปทางทิศบุรพาถึงยังไม่เต็มดวงมีแววงว้าในด้านตะวันออกอยู่บ้างประกอบกับโคมพระทีบน้ำมันสองข้างทางสว่างเป็นระยะระยะสองคนจึงเดินไปได้ด้วยความสะดวกระหว่างทางได้ผ่านเทวาหลายๆแห่งแต่ผู้คนบางตาติมพรุเล่าให้ฟังว่าที่เป็นเช่นนี้ผิดกว่าสมัยที่ตนยังรุ่นหนุ่มเมื่อถึงวันเช่นนี้ จะได้เห็นการปักธงชัยธงแผ่นผ้าทั่วทุกบ้านในยามคำ่ำก็จะเนอนขนาดไปด้วยหมู่ชนผู้ไปเทวสถานบ้างชุมนุมรื่นเริงกันบ้างตามบ้านเรือนใหญ่น้อยก็จะตั้งประทีปโคมไฟงามสว่างไปทั่วพระมหานครแต่มาบัดนี้เนื่องด้วยประชาชนส่วนใหญ่ได้ฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนาพากันเลิกเส้นสวงบูชาเทพเจ้า เล liquid, queda, ิกฆ่าสัตว์บูชายันเป็นต้นพิธีรามนวมีก็เสื่อมไปเมื่อได้เดินดูจนเป็นที่พอใจและคณนว่าจนจะถึงเวลากำหนดเวลาพูดของพรามผู้เท่าแห่งพรามนสภาแล้วทั้งสองก็เดินทางกลับทางเก่า มาถึงพรามมณสภาเป็นเวลาเกือบกึ่งปฐมยามแห่งราตรีการแจกของเจดเดกเกือบเสร็จสิ้นแล้วเมื่อคอยอยู่สักครู่ก็ถึงเวลาที่พรามผู้เท่าจะกล่าวคาถาแจ่ผู้ฟังท่านพรามผู้นั้นนุ่งห่มผ้าขาวสะอาดมีลักษณะท่าทางเป็นผู้ใหญ่เจ้าความชิดเป็นพรามมหาสารคือเศรษฐีคนหนึ่งในบริเวณตะวันออกของกรุงราชครื เต็มรูและสุรเสนะนั่งอยู่ท้ายบริษัทแต่ก็อาจได้ยินเสียงพูดอันชัดเจนแจ่มใสของพรามผู้นั้นถนัดพรามผู้เท่ายืนขึ้นท่ามกลางความสงบเงียบของผู้ฟังแล้วกล่าวว่าผู้เจริญทั้งหลายประเพณีเก่าแก่ของเรามีอยู่ว่าเมื่อถึงวันรามนาบมีเราจะมีการฉลองและรื่นริงและกล่าวประวัติของพระวิษณุผู้อวาตาร ล, ลงมาเป็นรามจันทร์ แห่งนครอโยธยาแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกพวกเราทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาอันประกอบไปด้วยเหตุผลของพระองค์แล้วได้เปลี่ยนแปลงจารีตประเพณีให้เป็นไปในทางที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นคือแทนการฆ่าสัตว์เผาไฟเราก็มหัสมีเมตตาสงเคราะห์กันและกันและตั้งอยู่ในกุศลงดเว้นการเบียดเบียเนเป็นต้น และในคืนวันนี้เราได้มีพิธีแจกของเจเด็กแล้วข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระบรมส า, าสดาของเราให้ท่านทั้งหลายฟังแทนประวัติของพระรามเวลาหกปีที่พระบรมสาสดาของเราทั้งหลายได้เสด็จจากกรุงกบิลพัฒมาบำเพ็ญเพียรณตบาบลอุรุเวลานั้นได้ยังความอาลัยอาดูลให้เกิดแก่พระพุทธบิดาและพระประยุรญาตเป็นอันมาก แต่คอยสะดับข่าวอยู่ด้วยความเป็นห่วงชาวกระ บ, บิลพัทตั้งตาคอยว่าเมื่อไรพระสิทธะเจ้าชายหนุ่มผู้มีรูปงดงามมีพระจริยาอัธยาศัยเป็นที่รักของปวงชนจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมาโปรโดจากเวลาแรมเดือนจนถึงแรมปีจนในที่สุดพากันหมดหวังและลืมเรือนไปบ้างก็มีแต่เมื่อหกปีให้หลังก็มีข่าวใหญ่ ที่ชาวกลุ่มก บ, บิรพัฒน์มิได้คาดหวังว่าจะเป็นลาบยาโสตของตนที่ได้สดับข่าวนั้นก็คือเจ้าชายเศรษฐาได้ตรัสรู้แล้วเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพราหมณทั้ง5้าผู้ติดตามไปอุปถารแล้วแยกไปอยู่ที่ป่าเนื้ออิสิปตนะแขวงเมืองพารณสีต่อจากนั้นก็มีบุตรเศรษฐิต่างๆในราชสถานีนั้นซึ่งล้วนเป็นคนหนุ่มได้เห็นดีในพระพุทธโอวาสสละสมบัติของตนออกบวช จะริกไปประกาศพระศาสนาในทิศทั้งหลายพระศาสดาประทับจำพรรษาอยู่ที่ป่าเนื้ออิสิปตนาะตลอดสามเดือนแล้วเสด็จไปตำบลที่ทรงบำเพ็ญเพียรคืออุรุเวลาแสดงทำโปรดนักบวชสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารจำนวนพันให้คลายความเชื่อเดิมของตนมาบวชและได้ตรัสรู้ตามแล้วประทับยับยั้งอยู่ในที่นั้นตลอดสามเดือนครั้นในวันเพ็ญแห่งเดือนปุตสะ เสด็จจาฤิ์สู่กรุงราชครื้ตามที่ทรงปฏิญญากับพระเจ้าแผ่พิสานว่าเมื่อตรัสรู้แล้วจะเสด็จมาแสดงทำโปรดบัทนี้ประทับอยู่ในเวลุวะนารามท่านผู้เจริญทั้งหลายพระเจ้าสุทโธนะราชาผู้เท่าแห่งกรุงกบิลพัทผู้หวังจะได้เห็นพระาราชโอรสปราบดาพิเศษเป็นจกักรพรรดิราชแต่ก็สิ้นหวังเสียแล้วเพราะพระปิโยรสนั้น มุ่งที่จะเป็นพระธรรมราชาผู้โปรดโลกให้ได้ดื่มด่ำสันติธรรมต้องการจะแพ่ธรรมเสนาคือกองทัพธรรมยิ่งกว่าจะตรงคินีเสนาคือทัพช้างทัพมา้าทัพรถและทัพคนเดินเท้าอันกองทัพธรรมนี้ไม่ต้องการโลหติตเส้นธงชัยมุ่งแต่จะแพ่ความสงบสุขให้แก่คนทุกชั้นไม่ได้เลือกหน้าคากล่าวที่ว่า คนวันณ่สูดที่ตั้งใจฟังการสาธยายพระเวทจะต้องถูกกรอกหูด้วยตะกัวหลอมถ้าคนสูดสาธยายพระเวทด้วยตนเองก็จะต้องถูกตัดลิ้นถ้าท่องจำพระเวทไว้ได้ก็จะต้องพากายออกเป็นสองซีกดังนี้มิได้มีในพระพุทธศาสนาพระพุทธออวาสน์นั้นไม่เลือกว่ากรรษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์สูดมีสิทธิ์ที่จะฟังได้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผล คือความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากันเมื่อพระพุทธบิดาทรงสลับข่าวการประทับอยู่ณนะเวลุวันของพระศาสดาแล้วจึงตรัสเรียกอมาตะผู้หนึ่งมาสั่งให้เดินทางไปกรุงรัชกรืทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมายัางกรุงกบิลพัทเพื่อพระองค์จะได้ทอดพระเนตรอมตนั้นพร้อมด้วยบริวารไดรีบเดินทางไปด้วยม้าเร็ว แต่เมื่อมาถึงกรุงราชครือและตรงไปยังเวลุวนารามเป็นเวลาที่พระศาสดาเริ่มแสดงธรรมก็ถวายบังคมแล้วนั่งฟังอยู่ณส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเนินดินโคนไม้ไผ่อันสะอาดมีภิกษุสงฆ์นั่งสงบอยู่สองข้างพระวรากายแน่นขนัดเบื้องพระพักของพระองค์เป็นที่เตียนราบกว้างขวางพอที่คนจานวนหลายร้อย จะนั่งประชุมกันได้เดิมที่นั้นมีกอไผ่ขึ้นอยู่แต่ด้วยคำสั่งของพระราชาคนงานก็จัดการแผ้วถางให้เตียนราบเพื่อใช้เป็นที่ประชุมฟังธรรมขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายดวงตะวันคล้อยไปด้านตะวันตกมากแล้วเงาภูเขาทอดมาบังให้ป่าไม้ไผ่ร่มเย็นเป็นที่สบาย มหาชนที่พากันออกจากกรงราชครืได้ไปประชุมฟังพระพุทธโอวาทตามศรัทธาประสาธะแห่งตนเบื้องแรกสมเด็จพระทศพลทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้คลองเรือนให้ตั้งอยู่ในคารวสธรรมมีความซื่อสัตย์เป็นต้นแล้วทรงแสดงธรรมขั้นที่สองที่เรียกว่าประโยชน์ภายในหนึ่งพัฒนาความเชื่ออันประกอบด้วยเหตุผลและศีล ความไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นด้วยกายวาจาเป็นต้นครันแล้วทรงแสดงธรรมชั้นสูงโดยความคือทรงชี้เห็นว่ากายกับใจนี้เป็นของหนักซึ่งมนุษย์พากันแบกอยู่อย่างไม่รู้ตัวเพียงการที่มนุษย์ต้องวิ่งเต้นหาอาหารมาเลี้ยงกายนี้และปากช่องของบุตรภรรยาก็เป็นการหนักตลอดชีวิตการแบกหามทางานหนักต่างนั้นแท้จริงก็เพื่อ ให้ได้อาหารมาแบกหามท้องของคนเรานี้เองผู้รู้พิจารณาแล้วยอมหาสิ่งที่เป็นสาระยิ่งกว่านั้นการที่จะประสบสภาพที่มีสาระเป็นอิสระจากการแบกหามได้นั้นก็ต้องอาศัยการแก้ไขทางใจคือการปล่อยวางความยึดถือมีความรู้เท่าความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรมาแบกหามอีกเมื่อตัดความทเยอทยานยากพร้อมทั้งร่างเง่าเสียได้แล้วก็จะเป็นคนไม่หิืกระหาย ดับกิเลสและทุกข์ได้ในโลกอำมาตผู้เป็นทูตแห่งกบิลพัทพร้อมด้วยบริวารทรงใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาก็เกิดปัญญาคลายความยึดมั่นถือมั่นจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาท่านเหล่านั้น เห็นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงทำอุปการระจิตโปรดมนุษย์นิกรอยู่อย่างนั้นทั้งยังอยู่ในเขตแห่งฤดูหิมะจึงไม่ได้ทูลเชิญเสด็จตามคำของพระราชาผู้เท่าแห่งกรุงกบิลพัท